ก่อนปรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเพลง The Home Is Perfect ค่ะก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยรับแรงบันดาลใจนะคะจากท่านปรมาหังษาโยคานันทะค่ะก็นํามาเปิดเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการเล่าเรื่องชีวิตโยคียจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยโยคียเองนะคะท่านปรมาหังษาโยคานันทะ ซึ่งเป็นโยคีชื่อดังของอินเดียแล้วก็โด่งดังเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเผยแพร่โดยเซลเลียลไลเซชั่นเฟลโลชิฟนะคะอาจารย์ประมวลเพ่งจันได้มอบเล่มนี้มาให้ก็น่าสนใจกับงานที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จัก กับวิถีของโยคีนักบวชของศาสนาฮินดูนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากของพุทธศาสนาอย่างไรแก่นแกนในการสแสวงหาจิตวิญญาณเป็นแบบไหนน่าสนุกมากค่ะวันนี้มาถึงตอนที่หกแล้วตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นตอนที่มุกุลทะ แล้วก็เพื่อนคือจันทีอันนี้ออกเสียงแบบภาษาไทยนะคะได้มีโอกาสสอบถามผู้รู้ทางด้านภาษาฮินดีว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทอนังวนโทนี้ต้องออกเสียงทอทหารหรือว่าดอเด็กอาจารย์ประมวลเพลงจันนะซึ่งเป็นนักเรียนกล่าอินเดียก็บอกว่าออกเสียงได้ทั้งสองแบบถ้าออกเสียงแบบอินเดียก็ต้องออกเสียงเป็นดอเด็กถ้าออกเสียงแบบไทยๆก็ออกเสียงเป็นทอทหารนะคะถ้าอย่างนั้นก็ ขอออกเสียงแบบไทยๆก็แล้วกันนะคะจันทีกับมุกุลทะเนี่ยก็สนใจมากนะคะกับชีวิตของสวามีพยักษ์ซึ่งเป็นโยคีที่เคยมีชื่อเสียงในเรื่องของการสู้กับเสือแล้วก็ปราบเสือด้วยมือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ค่ะทั้ง2ก็มาเข้าพบท่านสวามีพยักษ์ท่านสวามีพยักษ์ก็ได้เล่าชีวิตแต่หนหลังให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นโยคีนั้น ท่านเคยเป็นคนปราบเสือและท่านก็มีความสุขนะคะมีความพอใจกับชีวิตของคนปราบเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไหนก็มีแต่คนเรียกว่ามีแต่คนยกย่องมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนทึ่งว่าทำได้อย่างไรแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของท่านก็ขอร้อง ขอให้ท่านเลิกเป็นคนปราบเสือแต่ว่าท่านสวามีพยักในตอนนั้นท่านก็ไม่ยอมนะคะท่านก็ไม่ยอมเลิกล่ะค่ะแล้วก็บอกพ่อว่าขออย่าบังคับให้ท่านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเลย เอาละเรื่องราวชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับชีวิตของท่านสวามีพยักนะคะที่น่าจะมีผลต่อแรงบันดาลใจที่มีให้กับท่านโยคานันทะสมัยที่ยังเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามุกุลทะถ้าพร้อมแล้วเชิญติดตามได้เลยกับตอนที่6นะคะชีวิตโยคีค่ะ หลังจากนั้นคุณพ่อของท่านสวามีพยักก็นิ่งฟังคำโต้แย้งจากลูกด้วยความอดทนพอฟังจบพ่อก็บอกกับลูกบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าบีบบังคับให้พ่อต้องเปิดเผยคำทํานายที่ไม่เป็นมงคลจากปากของสาธุนักบุญท่านหนึ่งให้เจ้าได้รู้เสียแล้วท่านมาหาพ่อเมื่อวานขณะที่พ่อนั่งสมาธิอยู่ที่ระเบียงบ้านเหมือนกับทุกวัน พระดาเรามาเพื่อฝากข่าวไปถึงบุตรชายผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ของท่านจงบอกเขาให้หยุดการกระทําอันปาเทือนนั่นเสียมิเช่นนั้นการสู้เสือครั้งต่อไปจะทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ต้องล้มป่วยปางตายถึง6เดือนหลังจากนั้นเขาจะละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมนี่คือคําทํานายนะคะจากปากของสาธุนักบุญท่านหนึ่ง ที่ฝากมาทางพ่อของท่านสวามีซึ่งพ่อของท่านก็บอกว่าพ่อเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่พ่อเล่าสักนิดแถมยังคิดว่าท่านเชื่อคนง่ายเห็นจะเป็นเหยื่อนักต้มตุ๋นหลอกลวงมาเป็นแน่คือท่านสวามีก็ไม่เชื่อก็ยังคงดำเนินชีวิตในฐานะนักปราบเสือต่อไป หลังจากได้รับคำเตือนพ่อก็เดินทางไปยืนราชธานีของแคว้นคุชเบฮาดินแดนอันสวยงามแห่งนี้เป็นสถานที่แปลกใหม่สำหรับพ่อพ่อหวังว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดีแต่ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะไปที่ไหนจะมีคนสนใจใครรู้ตามติดพ่อไปทุกคนทุกแห่งพร้อมเสียงกระซิบกระซาบ ในทํานองว่าคนนี้นี่ไงที่เป็นนักปราบเสือนั่นมันขาวหรือว่าท่อนซูงกันแน่นะเนี่ยดูหน้าเขาสิเขาต้องเป็นพญาเสือกราบชาติมาเกิดแน่ๆเลยพวกเจ้าก็คงจะรู้พวกเด็กผู้ชายสนๆในหมู่บ้านคือตัวกระจายข่าวดีๆนี่เองพอเรื่องไปถึงหูพวกแม่บ้าน ข่าวก็แพร่ไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงคนทั้งเมืองก็พากันตื่นเต้นกับการมาถึงของพ่อไม่มีเว้นแม้แต่รายเดียวในขณะที่พ่อกำลังพักผ่อนอยู่เงียบๆในตอนเยน็น <mm> ก็มีราชบุรุษกลุ่มหนึ่งควบมา้ามาที่ที่พักของพ่อพวกเขาเดินเข้ามาแต่ละคนสูงใหญ่ พกผ้าเอาไว้บนศีรษะตอนนั้นพ่อก็ น, นึกในใจว่าราชบุรุษเหล่านี้จะมาเล่นงานเราด้วยเรื่องอะไรก็สุดรู้ได้แต่ราชบุรุษเหล่านั้นกลับโค้งคำนับพ่ออย่างนอบน้อมผิดปกติท่านขอรับเจ้าชายแห่งแคว้นกุชเบฮาของเรา มีรับสั่งให้กระผมมาเชิญท่านไปยืนพระราชวังของพระองค์ในวันพรุ่งขอรับท่านสวามีพยักก็คิดใครครวนอยู่ครู่หนึ่งจริงๆแล้วท่านต้องการจะมาพักผ่อนเงียบๆแต่พอมีคนมารบกวนและคนที่มารบกวนนั้นก็เป็นราชบุรุษคนรับใช้บริวารของเจ้าชาย ก็คงจะขัดได้ลำบากทาให้ท่านสวามีพยักต้องตกปากรับคำบรรดาราชบุรุษเหล่านั้นไปพอช้าวันรุ่งขึ้นก็มีขบวนมารับตัวท่านจากหน้าประตูไปขึ้นรถอันหรูหราเทียมม้าถึงสตัวมีคนรับใช้คอยถือกรดเงงงามไว้บังแดดอันแผดจ้าให้ท่านเพลิดเพลินกับการนั่งรถผ่านตัวเมืองและชายป่ารอบนอกออกไป พอถึงประตูวังเจ้าชายก็ส่งรอต้อนรับท่านด้วยพระองค์เองส่งต้อนรับอย่างให้เกียรติมากส่งประทานพระเก้าอี้ปักดินทองประจาพระองค์ให้ท่านสวามีได้นั่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปประทับบนเก้าอี้ธรรมดาด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านสวามีพยกักกนึกในใจว่าแม่ต้อนรับกันถึงขนาดนี้ ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรสักอย่างแน่ๆไม่ธรรมดาหลังจากที่เจ้าชายมีพระปฏิสันถานกับท่านสวามีพยักในเรื่องทั่วไปไม่กี่คําเจ้าชายก็ทรงเปิดเผยพระประสงค์ในการเชิญและก็ในการต้อนรับท่านสวามีพยักอย่างดีให้ได้รู้ <c oughs> ข้าได้ยินคนขอดจดกันทั้งเมืองว่าท่านสามารถสู้กับเสือได้ด้วยมือเปล่าเป็นจริงดังนั้นหรือไม่ จริงพระเจ้าค่าแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อท่านเป็นคนเบงกอลจากเมืองกาละกะตากินข้าวขัดเข่าแบบชาวเมืองทั่วไปท่านช่วยบอกความจริงกับข้าทีเถอะว่าเสือที่ท่านสู้นั้นเป็นเสือที่ถูกมอมยาฝิ่นจนสิ้นเรี่ยวแรงแล้วใช่หรือไม่เจ้าชายตรัสในทำานองถากถาง ท่านสวามีพยักก็นึกในใจว่าน่าจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ตอบคำถามยาอหยันนั้นท่านก็เงียบเจ้าชายก็พูดต่อไปว่าข้าขอท้าให้ท่านสู้กับราชาเบคุมเสือที่ข้าเพิ่งจับมาได้ใหม่ๆถ้าท่านปราบราชาเบคุมให้สิ้นบิ์จับมันล่ามโซ่ และเดินกลับออกมาจากกรงของมันได้ด้วยตัวเองข้าจะยกเสือตัวนี้ให้กับท่านพร้อมด้วยเงินหลายพันรูปีและของกำนันอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าท่านไม่ยอมรับคำท้าข้าจะเอาชื่อท่านไปประจานให้รู้กันทั่วเมืองว่าท่านมันก็แค่อ้นักต้มตุนหลอกลวงคนหนึ่งเท่านั้นวาจามินแครนของเจ้าชาย เหมือนกระสุนหาใหญ่ที่สาดใส่ตัวพ่อทำให้พ่อถึงกับเลือดขึ้นหน้าตอบรับคำท้าไปในทันทีเจ้าชายผู้โน้มองค์ขึ้นมาจากเก้าอี้ที่ประทับด้วยความตื่นเต้นส่งทิ้งองค์กลับลงไปอีกครั้งพระโอดสยยะยิ้มราวกับคนจิตวิปริตทำให้พ่อนึกถึงจั ก, กรพรรดิโรมันผู้หาความสำราญจากการส่งชาวคริส ลงไปสู้กับสัตว์ป่าในสนามประลองขึ้นมาหลายๆพระองค์รับสั่งว่าการประลองนี้จะจัดขึ้นในอีก7วันข้างหน้าและก่อนการประลองพระองค์จะไม่ยอมให้พ่อเห็นเสือตัวนั้นก่อนจะเป็นเพราะพระองค์กลัวว่าพ่อจะหาทางสะกดจิตหรือแอบเอาฟินให้มันกินหรืออย่างไรก็สุดที่จะรู้ได้ วันนั้นตอนที่พ่อออกจากวังมาหน้าขันจริงๆต้อนขากลับทั้งกรดทั้งรถม้าพากันหายไปหมดไม่มีเหลือคือตอนเชิญมาต้อนรับดีมากแต่พอบรรลุจุดมุ่งหมายก็หมดเลยไม่มีไม่มีขบวนต้อนรับเหลืออยู่อีกแล้วมีเวลา7วันนะคะสัปดาห์ถัดมาค่ะท่านสวามีพยัก ก็ตระเตรียมกายใจสำหรับการต่อสู้ที่ใกล้เข้ามาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคนรับใช้ก็เป็นคนคอยรายงานเรื่องราวพิลึกพิลึกจากภายนอกให้ได้ฟังไม่รู้ว่าคำทำนายที่โยคีนักบุญเคยบอกกับกับพ่อของท่านหลุดรอดออกไปได้อย่างไรแต่ว่าคำทำนายนั้นถูกแต่งเติมแล้วก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองมีชาวบ้านไม่น้อย เชื่อว่าราชาเบคุมหมายถึงเสือของเจ้าชายเนี่ยคือวิญญาณชั่วร้ายที่เทพเจ้าสาบเอาไว้กลับชาติมาเกิดเชื่อกันว่าพอตกกลางคืนเสือตัวนี้จะกลายร่างเป็นปีศาจพอวันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาเป็นเสือลายพาดกรอนอย่างเดิมว่ากันว่าเสือสมิงตัวนี้ถูกส่งลงมาเพื่อกำราบท่านสวามีพยักโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนิยายเล่าลือกันอีกเรื่องว่าสัพพสัตว์ในป่าพากันสวดอ้อนวอนต่อแดนสุขาวดีของเหล่าพยาคาเบื้องบนจึงส่งราชาเบคุมลงมาเกิดเพื่อลงโทษพ่อสัตว์สองเท้าที่บังอาจไปย้ำ ม, มีนศักดิ์ศรีของเผ่าพันธ์เสือทั้งมวลมนุษย์ที่ไร้ขนไร้เขี้เล็บแต่หารกล้ามาท้าทายกรงเล็บและขาอันทรงพลังของพญาเสือชาวบ้านลือกันว่า ความเครียดแค้นของเสือทุกตัวที่ถูกเหยียบย่ำสักศีได้รวมกันเป็นแรงอาฆาตที่กล้าแข็งพอที่จะบรดาลความพ่ายแพ้ให้กับนักปราบเสือจอมทโนงได้คนรับใช้ยังบอกอีกว่าเจ้าชายทรงดูแลการจัดงานประลองระหว่างมนุษย์กับเสือร้ายตัวนี้ด้วยพระองค์เองทรงมีรับสั่งให้สร้างปา ร, รามขนาดใหญ่ที่กันพายุลมฝนได้เพื่อรองรับผู้ชมเรือนพัน ราชาเบคุมถูกขังไว้ในกรงเลขนาดใหญ่ตรงกึ่งกลางปรร่ามรอบนอกรายล้อมด้วยห้องป้องกันภัยเจ้าเสือร้ายที่สิ้นอิสราภาพแผดเสียงคำรามชนิดที่ชวนให้ขนพองสยองกล้าวออกมาเป็นบริยะระยะคนเลี้ยงให้อาหารมันกินแค่พอกันตายเพราะต้องการจะให้มันดูร้ายยิ่งขึ้นจากความหิวดูท่า เจ้าชายคงใหญ่จะให้พ่อตกเป็นเหยื่ออันโอชะของพันเสียเต็มประดาน่ากลัวมากนะคะสัตว์ต่างๆถ้าถูกปล่อยให้หิวก็จะดุร้ายมากขึ้นแล้วก็จะส่งพลังมากขึ้นด้วยครั้งนั้นผู้คนจากในเมืองและนอกเมืองก็พากันแห่มาซื้อบัตรตามเสียงรัวกรองแจ้งให้ทราบถึงการปัะลองที่ไม่ธรรมดานี้ มีคนแห่มาดูกันแบบหัวล้นหลามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนนับร้อยต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าที่นั่งถูกจับจองเต็มหมดแล้วแต่หลายคนก็ไม่ยอมแพ้แอบเข้ามาดูตามรอยต่อของเต็นท์หรือไม่ก็เบียดเสียดกันจนเต็มที่ตามทางเดินข้างล่างยิ่งกว่าคอนเสิร์ตสมัยนี้ซะอีกดูคนสู้กับเสือตื่นเต้นเร้าใจจะหาใดมาเปรียบได้จริงไหมคะแล้วก็ไม่ใช่เสือละครสัตว์ แต่เป็นเสือหิวและคนกับเสือก็ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มีเตี้ยมเรื่องเล่าของท่านสวามีพยักเริ่มขยับเข้าใกล้ตอนที่ตื่นเต้นเบร้าใจที่สุดหมูกุ่นท้ากับจันทีนิ่งฟังอย่างใจจดใจจ่อด้วยความตื่นเต้นท่านก็เล่าต่อไปว่า ท่กลางเสียงคำรามคือกล้องของราชาเบคุมและเสียงอึงอ่นของฝูงชนที่เฝ้าดูอยู่ด้วยใจระทึกพอเดินออกมาเงียบงียบทั้งตัวมีผ้าเตียวพันท่อนล่างอยู่แค่ผืนเดียวที่เหลือก็เปลือยเปล่าพอถอดสลักประตูห้องป้องกันภัยก้าวเข้าไปในห้องแล้วก็สอดสลักกลับเข้าที่ของมันอย่างเยือกเย็นคือต้องเข้าไปในห้องที่จะอยู่กับเสือ 2ต่อสองแล้วก็ต้องปิดกรอนด้วยเจ้าเสือร้ายได้กลิ่นเหยื่อมันก็โถมร่างเข้ากระแทกใส่ลูกกรงเหล็กเสียงดังสนัน่นพร้อมแยกเคี้ยวคำรามเป็นการต้อนรับตอนนั้นผู้ชมพากันเงียบกริบด้วยความสยดสยองแล้วก็เวทนาพ่อไปพร้อมๆกันในสายตาของพวกเขาพ่อคงจะดูเหมือนลูกแกะตัวน้อยที่ยืนอยู่ต่อหน้าพญาเสือร้าย ในชั่วพริบตาเดียวพ่อก็เข้ามาอยู่ในกรงราชาเบคุมกระโจนเข้าถึงตัวพ่อก่อนที่ประตูจะกระแทกปิดดีสเสด้วยซ้มไปมือขวาของพ่อถูกตะกุยเป็นแผลชกันเลือดสดสดไหลอาบลงมาเป็นสายยิ่งไปย่วนน้ำลายเจ้าเสือร้ายได้ดีเสียยิ่งกว่าอะไรคำทํานายของโยคีนักบุญท่านนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้ และนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านสวามีพยักได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้กับเสือท่านก็ตกใจแต่ก็สลัดความตกใจทิ้งไปในทันทีเอามือข้างที่เจ็บซุกเอาไว้ใต้ขอบชายผ้าเตี่ยวแล้วก็เวียงกระปั้นซ้ายใส่เสือเสียงดังพราคือสู้กับเสือด้วยมือเปล่านะคะเจ้าเสือร้ายเซกลับไปเดินบนอยู่ที่ท้ายกรงจากนั้นก็พุ่งทะยานเข้ามาอีกครั้ง ท่านสวามีพยักในขณะนั้นก็กระแทกหมัดเข้าที่หัวของเสืออย่างจังชกกับเสือค่ะแต่ราชาเบคุมได้ลิ้มรสเลือดเสียแล้วการโจมตีของมันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตอนนี้มีแต่เสียงคำรามกราดเกลียวพ่อเหลือมือให้สู้ได้เพียงมือเดียว ไม่พอที่จะตอก้อนกับเขี้ยวเล็บของมันได้เลยเราต่างเลือดสาดด้วยกันทั้งคู่กระนั้นก็ยังฟาดฟันเหมือนจะให้ตายกันไปข้างในกรงมีแต่ความสับสนโกลาหลด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วทิศเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดเขากับความกระหายใคร่เห็นความตายดังมาจากลำคอของเจ้าเสือร้าย ยิงมันลอยข้ามันเสียงผู้ชมกรีดร้องระงมแต่ทั้งเสือและคนก็เคลื่อนไหวกันปุบปับฉับไวในที่สุดพ่อรวบรวมพลังแพดเสียงดังสนั่นวันไหวก่อนที่จะปล่อยมัดไม้ตายครั้งสุดท้ายออกไปสุดแรงเกิดเจ้าเสือร้ายล้มควม่ำลงไปนอนแน่นิ่ง เหมือนเป็นแค่แมวตัวหนึ่งเลยมูกุนทะอุทานเมื่อฟังเรื่องเล่ามาถึงตอนนี้ท่านสวามีหัวเราะอย่างพึงพอใจก่อนจะเล่าต่อว่าในที่สุดราชาเบคุมก็ถูกพิชิตลงจนได้กระนั้นพอยังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของมันต่อโดยการใช้มือที่ฉีกขาดและอาบเลือด ง้างปากของมันให้อ้าออกอย่างไม่เกรงกลัวและในเสี้ยววินาทีอันเร้าใจนั้นพอกะแยหัวเข้าไปในปากอันน่าสะพรึงกลัวด้วยคมเขี้ยวงงชั่วครู่หนึ่งก่อนหันกลับมามองหาโซ่พอคว้าโซ่บนพื้นได้หนึ่งเส้นพกคว้าโซ่บนพื้นมาได้เส้นหนึ่งพอกเอาโซ่เส้นนั้นคล้องคอมันแล้วเอาปลายอีกด้านมัดไว้กับซี่ลูกกรง จากนั้นพ่อก็เดินตรงไปยังประตูกรงเยี่ยงผู้ชนะแต่ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อหลังเพลงนี้นะคะกับชีวิตโยคีในตอนที่เล่าถึง สวามีพยักหรือว่าโยคีนักปราบเสือค่ะ กลับมาฟังเรื่องตื่นเต้นของท่านสวามีพยักกันต่อนะคะหลังจากที่ท่านสามารถพิชิตเสือได้เอาหัวแ yeah, ยไปในปากเสือแล้วก็เอาโซ่มาล่า ม, มันจากนั้นก็เอาโซ่มาคล้องคอเอาปลายอีกด้านหนึ่งมัดไว้กับซี่ลูกกรงแล้วก็กำลังเดินออกไปยังประตูกรงกำลังจะเดินออกไปจากประตูกรงอีกนิดเดียวจะชนะอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ปรากฏว่า ประชาเบคุมก็ทรหดบันกระชากโซ่จนหลุดค่ะแล้วกระโจนมาด้านหลังด้วยพละกกำลังอันเหลือเชื่อและก็ฝังเขี้ยวงับไหลของท่านสวามีพยักเอาไว้แน่นทำให้ท่านถึงกับล้มขมาลงกับพื้นอย่างแรงแต่ในอึดใจนั้นพ่อก็พลิกตัวขึ้นไปคร่อมร่างมันไว้ได้แล้วกระนำกำปั้นเข้าใส่มันอย่างไม่ปราณีปราัย จนเจ้าสัตว์หน้าขนยืนไม่ติดคราวนี้พ่อจัดการมัดมันไว้ได้อย่างแน่นหนาก่อนจะเดินออกจากกรงชา้าๆผู้คนต้อนรับพ่อด้วยเสียงโห o ร้องอันดังกระหึ่มคราวนี้เป็นเสียงแห่งความยินดีที่กึกก้องราวกับเปลงออกมาจากคอยักษ์ถึงจะบาดเจ็บสาหัสแต่พ่อก็ทำได้ครบเงื่อนไขทั้งสามประการ คือเอาชนะเสือได้จับมันล่ามโซ่ได้และเดินออกจากสนามบอลลองได้ด้วยขาของตัวเองพ่อยังเล่นงานมันอย่างหนักจนมันกลัวยอมมองข้ามโอกาสงามๆตอนที่พ่อแยวหัวเข้าไปในป่าของมันหลังจากบาดแผลได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วพ่อก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับการครองพวงมาลัยมีการนำทองมากองไว้แทบเท้าพ่อเป็นจํานวนมากผู้คนออกมาเฉลิมฉลองกันทั้งเมืองมีแต่เสียงเล่าลือถึงพ่อทั่วทิศ ท, ทุกทางเล่าลือถึงชัยชนะที่พ่อมีเหนือเสือโคร่งตัวใหญ่ที่สุดและกระดุร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาพ่อได้ร้าช้าเบคุมาครอบครองตามสัญญา แต่พ่อกลับไม่รู้สึกยินดีเลยแม้แต่น้อยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณบางอย่างในใจของพ่อดูราวกับว่าเมื่อพ่อก้าวเท้าออกจากกรงนั้นพ่อได้ปิดประตูแห่งความทะเยอทยานอยากในทางโลกลงด้วยช่วงเวลาแห่งเคราะหกรรมตามติดมาในทันทีหลังจากนั้นพ่อล้มป่วย เพราะโลหิตเป็นพิษนานถึงหกเดือนเต็มแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเสียด้วยซ้ำทันทีที่พ่อแข็งแรงขึ้นพ่อก็ออกมาจากคุชเบหามุ่งหน้ากรับบ้านเกิดทันทีตอนนี้ฉันรู้แล้วจ้ะพ่อว่าครูของฉันคือท่านสาธุนักบุญที่ฝากคำเตือนมากับพ่อทำยังไงเนอ ฉันถึงจะได้พบท่านอีกสักครั้งท่านสรภาพอย่างหมดสิ้นความถือดีและก็อยากจะเจอเจอนักบุญที่ฝากคำทำนายมาให้วันหนึ่งท่านนักบุญสาธุท่านนั้นก็ปรากฏตัวอย่างเงียบๆท่านกล่าวกับท่านสวามีพยักในเวลานั้นว่า ขอกันทีสสำหรับการปราบเสือมากับเราเราจะสอนให้เจ้าสยบตัวอวิชชาที่วนเวียนอยู่ในจิตของมนุษย์ไม่ยอมห่างเจ้าเคยชินต่อการแสดงฝีมือให้คนดูต่อไปนี้จงให้สวงสวรรค์เป็นเวทีและให้เหล่าเทพพยายดาทั้งหลายได้เพลิดเพลินกับความสามารถในการปฏิบัติโยคะของเจ้าแทนเถิด ไม่กี่วันหลังจากนั้นท่านก็ตามสาธุท่านนี้ออกเดินทางไปศึกษาธรรมอย่างเทือกเขาหิมาลัยท่านนักบุญครุของพ่อผู้นี้เป็นผู้ชักนำให้พ่อก้าวเดินไปบนเส้นทางธรรมท่านเป็นผู้เปิดทางสว่างทางจิตวิญญาณให้กับพ่อ ทั้งทงที่ประตูบานนั้นมันฝืดและมีสนิมขึ้นเกระเพราะเจ้าของปิดทิ้งเอาไว้เสียนานจันทีกับมุกุลทะสุดตัวลงแตะเท้าท่านสวามีแสดงความเคารพด้วยความซาบเสีงใจที่ท่านยอมเล่าเรื่องราวชีวิตแต่หลวหลังให้ฟังทั้งคู่รู้สึกว่าการรอคอยอันยาวนานในห้องรับแขกก่อนหน้านั้นมันช่างคุ้มค่าเสียนี่กรไร นี่คือเรื่องราวของท่านสวามีพยักนะคะสวามีอีกท่านหนึ่งที่มีเรื่องราวสีสันตื่นเต้นเปลาใจไปด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารคือท่านนี้จริงๆก็ไม่เชิงปาฏิหารนะคะเป็นความสามารถเป็นผลจากการฝึกฝนและกำลังใจอันมุ่งมั่น จากเรื่องของท่านสวามีพยักมาที่เรื่องของท่านโยคีเหาะได้กันบ้างนะคะเรื่องนี้เพื่อนของมุกุลทะที่ชื่อว่าอุเปนทรโมหันเล่าให้เขาฟังด้วยน้ำเสียงที่ประทับใจถึงโยคียท่านหนึ่งที่สามารถจะเหาะได้ เมื่อคืนตอนไปสนทนาธรรมฉันเห็นโยคียหอได้ลอยสูงจากพื้นต้องหลายฟุตแน่คือตอนนี้เป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนฝูงว่ามุกุนทา น, นั้นสนใจใครรู้กับบรรดาเหล่านักบุญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ชอบหาข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโยคียที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับโยคีเก่ง เกี่ยวกับโยคยีดังๆมาให้กับมุกุลทะเสมอคือตอนนี้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่ามุกุลทะเนี่ยสนใจนักบวชอูเปนทร์โมหันก็บอกว่าท่านพำนักอยู่ละแวกบ้านฉันฉันถึงได้ไปกราบพบท่านอยู่บ่อยๆแต่ว่า ในรายนี้มุกุลทะรู้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นแล้วจะให้ฉันเดาไหมท่านพทุรีมหัศยะที่ถน น, นวงแหวนสายบนล๊อติาฉันเคยเห็นอำนาจฌานอันหน้าทึ่งของท่านมาหลายครั้งแล้วท่านเชี่ยวชาญการทำสมาธิแบบปราณยามะตามหลักราชโยคะ8ประการ ที่ท่านปตันชลีได้รจนาไว้ครั้งหนึ่งท่านเคยสาธิตการเข้าสมาธิแบบพัสตริกปราณายามะให้ฉันชมเป็นบุญตามันรุนแรงราวกับมีพายุ ข, ของจริงก่อขึ้นในห้องแล้วท่านก็นดับลมหายใจอันอึงอนนั้นลงก่อนดิ่งลงสู่ฌานขั้นอภิจิตสำนึก อ, อาจจะมีศัพท์เทคนิคอยู่หลายคำนะคะ ปรานายามะเป็นวิธีควบคุมพลังชีพหรือว่าลมปราณผ่านการควบคุมลมหายใจค่ะพัสตริกแปลว่าปอดนะคะปรานายามะจะช่วยให้จิตนิ่งท่านปตันชลีเป็นผู้ประพันธ์ตำราว่าด้วยโยคะที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยโบราณส่วนคำว่าอาภิจิตสำนึกมีคำอธิบายว่า ศาสตราจารย์ชูบัวแห่งมหาวิทยาลัยซอบอนในฝรั่งเศสนะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่านักจิตวิทยาฝรั่งเศสเนี่ยได้ศึกษาและยอมรับการมีอยู่ของอัมพีจิตสำนึกซึ่งยิ่งใหญ่และอยู่ตรงข้ามกับจิตใต้สำนึกในทัศนะของฟรอยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงมิใช่เป็นแค่สัตว์ที่เหนือกว่าสัตว์อื่นเท่านั้น พระาชาฟรั่งเศสอธิบายว่าการปลุกจิตสํานึกที่สูงขึ้นนี้เป็นคนละเรื่องกับการสั่งจิตและการสะกดจิตแวดวงปรัชญายอมรับการมีอยู่ของสภาวะอภิจิตสํานึกมานานแล้วที่เห็นเป็นจริงเป็นจังก็คือสภาวะเหนือวิญญาณนะคะอันนี้เป็นคําอธิบายย่อๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อาจจะต้องลองไปหาอ่านกันเองค่ะ อูเปย์ทอนก็บอกกับมุกุลท้าอีกว่าโยคยีท่านนี้เนี่ยได้ยินมาว่าท่านไม่เคยออกจากตัวอาสมเลยท่านอยู่แต่ในตัวอาสมตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่เวลามีงานเทศกาลทางศาสนาท่านก็จะผ่อนคลายกฎที่ตั้งไว้กับตัวเองลงนิดหน่อยโดยจะออกมาทีา่ฟุตบาทหน้าบ้านนะคะพวกขอทานก็จะมาออ ก, กันอยู่ที่นั่นเพราะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญ มุกุลทะกับอุเปนทรก็สนทนาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของท่านโยคีท่านนี้นะคะว่าการลอยตัวอยู่กลางอากาศเนี่ยท่านทําได้อย่างไรท่านสามารถที่จะฝืนแรงดึงดูดของโลกได้อย่างไรอุเปนธรก็ถามมุกุลทะว่าท่านทําได้อย่างไรมุกุลทะอธิบายว่าการเข้าสมาธิ แบบปราณยามะจะทำให้ร่างอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักได้โยคีจริงเหาะหรือว่ากระโดดตัวลอยเหมือนกบได้แม้แต่นักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัติโยคะอย่างถูกต้องตามแบบแผนก็ยังลอยตัวขึ้นได้ในขณะเข้าถึงเพราะเป็นเจ้าอุเปนทรก็ตื่นเต้นแล้วก็ชวนมุกุลท้าว่าฉันอยากรู้เรื่องของท่านพัทรีมากกว่านี้นายไปร่วมการสนทนาธรรมตอนเย็นที่อาสมของท่านหรือเปล่า มูกุนทาก็บอกไปสิไปบ่อยด้วยฉันชอบชาวปัญญาของท่านบางครั้งฉันก็หัวเราะเอาหัวเราะเอาจนแทบจะทำให้เสียบรรยากาศของการสนทนารมไปเลยตัวท่านพัทุรีไม่ถือสาอะไรแต่สิทธิ์ของท่านขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจ้องฉันจนตาแทบถลนเลยทีเดียวละนี่คือการสนทนาถึงโยคีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเหาะได้นะคะ ระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนบ่ายวันนั้นท่านปรมาหังษายโยคานันทะก็เขียนเล่าเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเดินผ่านอาสมของท่านเลยคิดว่าน่าจะเข้าไปกราบท่านสักหน่อยโดยปกติคนทั่วไปจะมาขอพบท่านตามใจชอบไม่ได้เพราะชั้นล่างของตัวอาสมจะมีสิทธิ์เฝ้าอยู่คนหนึ่งคอยดูแลไม่ให้ใครมากวนความเป็นส่วนตัวของท่าน แล้วสิท์คนนี้ก็ติดจะเครื่งระเบียบเสียด้วยเขาถามข้าพเจ้าอย่างเป็นงานเป็นการว่าได้นัดไว้ก่อนหรือไม่แต่อาจารย์ของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาพอดีข้าพเจ้าจึงไม่ถูกไล่กลับไปอย่างที่ควรจะเป็นให้มุกุลทะเข้าพบฉันได้ทุกเมื่อท่านอนุญาตต่อหน้าลูกศิษย์นะคะด้วยดวงตาที่เป็นประกาย ท่านบอกว่าการถือสันโดษนี้มีได้เป็นไปเพื่อตัวของท่านเองแต่เป็นไปเพื่อผู้อื่นคารวาส่วนใหญ่ไม่ชอบสิ่งที่เปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะมันจะทำลายมายาคติของเขาลงจนสิน้นฤีโยคีผู้บรรลุทําไม่เพียงหายากแต่ยังเข้าใจได้ยากกระทั่งในพระคำพีก็ยังมีคำกล่าวอ้างถึงนักบุญที่ชวนให้อึดอัดใจอยู่เหมือนกัน นี่คือคำอธิบายส่วนหนึ่งนะคะของท่านพัทุรีซึ่งตอนนี้มุกุลทะตามท่านพัทุรีขึ้นไปยังที่พมนักอันเรียบง่ายของท่านที่ชั้นบนห้องที่ท่านอยู่มาโดยตลอดแล้วก็มักไม่จากไปไหนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มักไม่สนใจรับรู้ภาพใหญ่ซึ่งฉายความเป็นไปในทางโลก ท่านมหาฤาษีครับท่านเป็นโยคีที่อยู่แต่ในอาสมคนแรกที่ผมรู้จักคือเป็นโยคีคนแรกนะคะที่เขารู้จักว่าเป็นโยคีที่ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยไม่เคยออกไปสู่โลกภายนอกเลยอยู่แต่บ้านพูดง่ายๆแต่ทีนี้บ้านของโยคีนั้นเรียกว่าอาสมโยคีท่านนี้ อายุประมาณ70ปีนะคะแต่ว่าเรือนกายของท่านยังคงกำยำหลังเหยียดตรงไม่ว่ามองจากมุมไหนก็แลดูสง่างามไม่มีสัญญาณที่สอดถึงความชราหรือการที่ต้องใช้ชีวิตติดอยู่กับที่ปรากฏให้เห็นเลยใบหน้าของท่านคือใบหน้าของฤาษีตามที่มีพรรณนาไว้ในคำพีโบราณศีรษะตั้งตรงมีหนวดคราวดกหนา ท่านจะนั่งหลังตรงแนวอยู่เสมอมีแววตาอันสงบจับจ้องอยู่แต่องค์พระเป็นเจ้าเท่านั้นท่านนั่งสมาธิกับมุกุลทะหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงท่านก็เอ่ยขึ้นว่าเธอมักจะดิ่งจิตลงสู่ความสงบได้อยู่เรื่อยเมื่อไรจะขยับเข้าหาอนุภาวะบ้าง ระวังอย่าหลงเอามักควิธีขึ้นมาแทนที่เป้าหมายล่ะท่านพัทุรีชี้ให้เห็นกองจดหมายปึกหนาบนโต๊ะท่านบอกว่าจดหมายพวกนี้ ส่งมาจากอเมริกาอันไกลโพ้นฉันติดต่อกับองค์กรของที่นั่นบางองค์กรที่มีสมาชิกสนใจสาแ ท, ทงโยคะพวกเขาค้นพบอินเดียอีกครั้งด้วยสำนึกรู้ในเรื่องทิศเรื่องทางที่ดีกว่าโครมบัสฉันเองก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาสาแทงโยคะก็เป็นเช่นเดียวกับแสงสว่างที่ผู้ต้องการสามารถรับไปโดยไม่ต้องซื้อหา มักควิธีที่ฤาษีทั้งหลายมองว่าเป็นเส้นทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นนั้นเราจะต้องไม่ผ่อนปรนหรือทำให้ง่ายลงสำหรับชาวตะวันตกเพราะแม้ประสบการณ์ภายนอกจะต่างกันแต่จิตวิญญาณของผู้คนไม่ว่าจะในโลกตะวันตกหรือตะวันออกล้วนเป็นเชกเช่นเดียวกันและไม่มีวันจะพัฒนาขึ้นมาได้ถ้าไม่ปฏิบัติโยคะให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด ดวงตาอันสงบเยือกเย็นของท่านจับจ้องมาที่ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ากลับไม่รู้เลยว่าถ้อยวาจาทั้งหมดนี้คือการชี้แนะที่แฝงในยะแห่งคำพยากรณ์อเอาไว้จนถึงตอนนี้ตอนที่นั่งเขียนคำพูดเหล่านี้ออกมาข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้บทสนทนาระหว่างเราได้อย่างท่องแท้ว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะได้นาความรู้จากอินเดียไปเผยแพร่อย่างอเมริกา ในครั้งนั้นมูกุนทะได้บอกกับท่านมหาฤาษีว่าท่านมหาฤาษีครับกระผมอยากให้ท่านเขียนตำราว่าด้วยโยคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกต่อไปแต่ท่านบอกว่าฉันกำลังฝึกลูกศิษย์ลูกหาอยู่พวกเขาและศิษย์รุ่นต่อๆไปจะทำหน้าที่เป็นตำราที่มีชีวิตเป็นบทพิสูจน์ที่จะยืนหยัดท้าทายความไม่จีรังแห่งการเวลา และการตีความแบบผิดๆของนักวิจารณ์ทั้งหลายมุกุลทะอยู่กับท่านจนกระทั่งสานุสิ์ของท่านมารวมตัวกันในตอนเย็นจากนั้นท่านพธทุรีมหัสยะก็เริ่มเทศนาธรรมอันจับใจยากจะหาใดเสมอเหมือน รมของท่านดุดสายน้ำที่รินไหลช้าล้างจิตอันไม่บริสุทธิ์ของผู้ฟังให้หมดมนทินและพัดพาพวกเขาเข้าหาพระเป็นเจ้าท่านมีการอุปมาอุปไมยที่น่าประทับใจอย่างไร้ที่ติคือเทศเก่งมาก มีสานุสิทธ์หลายคนเอาเงินใส่ในรองเท้าแตะที่วางอยู่ข้างๆท่านพัุรีผู้นั่งอยู่ในท่าอาสนะตามหลักโยคะวิธีการถวายค ร, รุทักษิณาให้กับครูบาอาจารย์ด้วยจิตสักการะเช่นนี้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันทั่วไปในอินเดียมีนัยยะว่าผู้เป็นศิษย์ได้ละวางทรัพย์สริงคารของตนไว้แทบเท้าผู้เป็นครู แต่แท้จริงแล้วคือพระเป็นเจ้าจำแรงกายมาเพื่อทรงดูแลผู้พักดีต่อพระองค์นั่นเองมีสิทธิคนหนึ่ง<ม>ก็กล่าวกับท่านพัทุรีว่าท่านอาจารย์ขอรับท่านช่างประเสริฐเลิศนักยอมสละความมั่งคั่งและสุขสบายในทางโลกออกมาแสวงหาพระเป็นเจ้า และยังอุตสาหะมาอบรมสั่งสอนพวกเราให้เกิดปัญญาอีกเพราะว่าครอบครัวของท่านพัทุรีนั้นร่ำรวยมหาศาลเป็นที่รู้กันแต่ท่านกลับละทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วก็มุ่งสู่ชีวิตของนักบวช ด, ด้วยใจที่มุ่งมั่นตั้งแต่วัยเยาว์แต่ท่านพัทุรีกลับไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ค่ะ เธอช่างพูดกลับขาวเป็นดำไปเสียได้ฉันละทิ้งเงินอันด้อยค่าทิ้งความสุขสำราญอันน้อยนิดเพื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งความปิติสุขอันไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้แล้วจะกล่าวว่าฉันสละวางสิ่งใดได้ฉันเป็นสุขที่ได้แบ่งปันทรัพย์สมบัติกับผู้อื่นนั่นเบียดกว่าการสละกระนั้นหรือผู้สละที่แท้จริงคือปุถุชนที่มองเห็นแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า พวเขายอมละเสียซึ่งทิพยะสมบัติอันประมาณค่ามีได้เพียงเพื่อแลกกับความสุขเล็กๆน้อยๆในทางโลกเท่านั้นนี่คือทัศนะอันพิลึกพิลั่นของท่านพัทุรีซึ่งมองกลับมุมนะคะเพราะเป็นเจ้าทรงจัดวางอนาคตของเราไว้อย่างช้านชลาเสียยิ่งกว่าบริษัทประกันใดๆ โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีศรัทธาอันคลอนแคลนยึดติดอยู่แต่กับความมั่นคงภายนอกความคิดที่มีแต่ความขมขื่นคับข้องปรากฏอยู่บนหน้าผาของพวกเขาเหมือนปรอยแผลเป็นที่บาดลึกพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอากาศให้เราหายใจประทานนมให้เราดื่มนับแต่ลมหายใจเฮือกแรกพระองค์ทรงทราบดีว่าจะทรงตระเตรียมวิธียังชีพในแต่ละวัน ให้กับผู้พักดีต่อพระองค์เช่นไรนี่คือแนวคิดและมุมมองของท่านพัทุรีมุกุลทะยังคงแวะไปที่อาสมของท่านพัทุรีหลังเลิกเรียนอยู่เสมอเสมอและท่านก็คอยเอาใจใส่ชี้แนะในการปฏิบัติสมาธิของมุกุลทะจนก้าวหน้าแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็ย้ายจากละแวกบ้านของมุกุลทะ ไปอยู่ที่ถนนบราโมฮัสรอยเพราะว่าเหล่าสานุธิ์ได้สร้างอาสมใหม่ให้กับท่านแม้จะเป็นการเล่าเรื่องล้ำหน้าไปหลายปีแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะนาคาสอนสุดท้ายที่ท่านพัทุรีมหสยามีให้แก่ข้าพเจ้ามาบอกไวณที่นี้กล่าวคือก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะออกเดินทางไปประเทศตะวันตกไม่นานข้าพเจ้าได้แวะไปหาท่านเพื่อกราบขอพร ลูกเอ๋ยเจ้าจงไปอเมริกาจงใช้เกียรติภูมิของอินเดียแต่ครั้งโบราณโบราณเป็นเกราะป้องกันตัวชัยชนะถูกจารึกเอาไว้บนหน้าผาของเจ้าแล้วมูชนผู้ประเสริฐในแดนใกล้จะต้อนรับเจ้าด้วยดี เชิงอัดอธิบาย <When I S 1> เรื่องของ <I S 1> ท่าน <should> โยคีเหาะได้ท่านนี้นะคะว่าชื่อเต็มของท่านคือนาเคนทารานาธพัทุรีก็ die, ถือได้ว่า <I> เป็นโยคีท่านหนึ่งนะคะที่มี บทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านปรมาหังษาโยคันนันทะซึ่งท่านได้บวชแล้วก็ไปเผยแพ่ในเรื่องของวิธีแห่งโยคยีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับการยอมรับยกย่องอย่างมากมายค่ะ หมดเวลาของข้องสมุดรหลังไม่กับชีวิตโยคียตอนที่6ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ตอนต่อไปที่นี่ www.thaipbsradio.com <'m> กับดิฉันรัศมีมณีนินทร์นะคะวิทยุไทย PBS <'m> กับหนังสืออัตตาชีวรประวัติของโยคียโดยปรมาหังษายโยคา น, นันทะ <'m> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน